เป็นวันที่สามนะของการเข้าพารรษาเหลืออีกเกือบ90วันนะกว่าจะออกพรรษาหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยต้องนานนะกว่าจะได้ออกพรรษาขนาดแค่สามวันก็รู้สึกว่ามันเนิ่นนานเหลือเกินคนที่รู้สึกอย่างนี้ก็คงจะเป็นพระที่เพิ่งบวชใหม่หรือว่านักปฏิบัติที่เพิ่งมา ที่นี่มันจะเหลือเวลาอีกเท่าไรอีกกี่สิบวันก็อย่าเพิ่งไปสนใจนะมันเป็นเรื่องอนาคตมันถ้าเรายิ่งอยากให้มันออกพรรษาไวๆหรือว่าแตละวันแตละวันนี่เอาแต่นับถอยหลังเราจะเป็นทุกข์มากเลย เพราะว่าจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากพยายามอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดอะไรถึงวันข้างหน้าวางเรื่องวันออกพรรษาลงชั่วคราวแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับแต่ละวันให้ดีที่สุด ถ้าเราอยู่กับแต่ละวันแต่ละวันด้วยความตั้งใจที่จะทำให้แต่ละวันนั้นมีคุณค่าหรือว่าทำให้แต่ละชั่วโมงนั้นมันมีความหมายนอกจากจะเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะกับชีวิตที่นี่แล้วเนี่ย เราจะรู้สึกในเวลาต่อมาว่าเวลามันผ่านไปเร็วนะชารือเร็วมันอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่จำนวนวันหรือว่าระยะเวลาสิ่งทีนะ่ผู้ที่ใหมนะ่ทั้งพระก็ดีหรือว่านักปฏิบัติก็ดนะีควรให้ความใส่ใจนะ ก็คือการพยายามปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางกายภาพนะเช่นป่าเขาหรือว่าวัดวาอารามกุฏนะิที่เราอาศัยแล้วก็รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ที่เป็นบุคคลที่ผ่านมาเราอาจจะไปเรียกร้องให้สิ่งต่างๆมันปรับให้ถูกใจเราโดยเฉพาะเวลาเราอยู่บ้านเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางของบ้านทุกอย่างก็ต้องถูกปรับให้ถูกใจเราอันแดดร้อนก็ ติดพัดลมหรือว่าติดเครื่องปรับอากาศถ้าเสียงดังนะก็พยายามจะให้เสียงมันสงบลงอาหารไม่อร่อยนะก็ไปหาซื้อที่ใหม่หรือว่าเปลี่ยนคนทำครัวเป็นแม่ครัวเวลาเราอยู่บ้านนี้ เราไม่ได้เรียนรู้วิธีที่จะปรับตัวปรับใจซึ่งมันก็ทำให้กิเลสในใจเราเนี่เฟื่องฟูได้ง่ายแล้วก็ทำให้เราเป็นคนอนะ่อนแอนะอ่อนแอในทางจิตใจนะเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกข์ละไม่พอใจละหงุดหงิดซะละอะไรต่ออะไรก็เลยกลายเป็นปัญหาสียมด ถ้ามาที่นี้เนี่ยนะมันเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้เรียนรู้การปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับข้อวัดและกฎเกณฑ์อยู่ที่บ้านเราจะตื่นเมื่อไหรก็ได้เราจะนอนเมื่อไหรก็ได้ แต่ว่าที่นี่นะเราก็ต้องเรียนรู้นะที่จะนอนให้เป็นเวลาแล้วก็ตื่นแต่เช้ามืดเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายอาหารนะไม่ว่าจะใครทำก็ตามเราก็สามารถที่จะกินได้แล้วกินได้อร่อยด้วย อยู่ที่บ้านเนี่ยใครทําอะไรไม่ถูกใจแล้วก็อาจจะโวยวายแต่ว่าอยู่ที่นี่เราต้องเรียนรู้ที่จะอดกลั้นนะรวมทั้งปรับใจของเรานะเพื่อที่จะอยู่กับความแตกต่างทางด้านอุปนิ ส, สัยของผู้คนรวมทั้งรสนิยมได้ด้วยให้ถือว่าข้อวัด หรือว่ากฎเกณฑ์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการฝึกให้เรารู้จักปรับตัวปรับใจหรือฝึกการทําใจอย่างที่บอกไว้แล้วคนสมัยนี้นี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้จักการทําใจเท่าไหร่เพราะว่ามุ่งจัดการกับสิ่งแวดล้อมภายนอกซะเยอะ หรือว่าแม้กระทั่งเวลาตัวเองเริ่มมีผมงอกนะเริ่มเหี่ยวยน่นะนะแทนที่จะทําใจก็ก็ไปจัดการกับร่างกายของตัวนะให้ผมมันดําคลับนะให้หนังมันตึงนะหรือแม้กระทั่งเวลาน้ําหนักมากนะแทนที่จะควบคุมการควบคุมอาหารก็ไปจัดการผาโนนผานี่ บางทีก็ถึงขั้นทำอะไรแปลกๆ ก, ก็มีนะที่อเมริกานี่มันมีมันมีหลายคนนะที่ลดหาทางลดความอ้วนนะลดน้ำหนักนะด้วยการกินพยาธิตัวตืดเข้าไปเพราะเขาเห็นว่าไอ้คนมีพยาธินี่ร่างกายหรือรูปร่างสวดส่วนนี่ผอมเพรียวดี ตัวเองนี่ก็ไม่อยากจะหักห้ามหรือควบคุมการกินก็เลยใช้วิธีอาศัยตัวช่วยนี่เป็นเป็นวิธีคิดวิธีการของคนสมัยนี้นะคือเมื่อมีปัญหาแทนที่จะจัดการกับตัวเองด้วยการควบคุมความอยาก หรือควบคุมจิตใจกลับไปใช้วิธีการจัดการกับสิ่งภายนอกหรือว่ากับร่างกายของตัวขอให้กินได้ต่อไปขอให้ เ, เสพสุขได้ต่อไปแต่ว่าให้ทุกอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปตามใจตัวถ้าช่วยแบบนี้ก็จะหาความสุขได้ยากอันนี้เมื่อเรา พวกเราตัดสินใจนะที่จะมาใช้ชีวิตที่วัดในฐานะนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องพยายามที่จะบังคับควบคุมหรือว่าเกลี้ยกล่อมใจของตัวเอง <c oughs> เพื่อเชื่อได้อยู่แบบกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมอสิ่งแวดล้อมที่นี่นี่ไม่เป็นพิษเป็นภัย กับใครอยู่แล้วนะถ้าว่าเราพยายามปรับตัวปรับใจให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตนะรวมทั้งกับผู้คนที่ต่างมีจุดหมายเดียวกันมันก็จะมีผลในการพัฒนาจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้มีให้รู้จักไอพีให้มีความยืดหยุ่นอ่อนโยนนะ คนที่ไม่รู้จักปรับใจตัวเองเลยเนี่ยจิตใจจะแข็งกระด้างนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอะไรไม่ถูกใจหรือพอมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมีความทุกข์ได้ง่ายฉุนเฉียวได้ง่ายนะจิตใจที่อ่อนโยนนะสามารถที่จะปรับให้เข้ากับสิ่งว่า้อมต่างๆนะก็จะเป็นจิตใจที่เข้มแข็ง เวลามีเสียงดังนะแทนที่จะไปเรียกร้องให้เสียงมันหยุดนะลองปรับใจของตัวเองหนูบ้างว่าเราจะอยู่กับเสียงที่ดังได้อย่างไรนะเราจะเป็นมิตรกับมันได้อย่างไรทำอย่างไรใจเราจะไม่ผลักสายไม่ปฏิเสธมันนะมันอยู่ที่ใจเรานะแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยการ พยายามที่จะทำตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมนะกับวิถีชีวิตของที่นี่เนี่ยทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยนะนอกจากจิตใจเราจะอ่อนโยนหรือว่ายืดหยุ่นได้ง่ายแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับความสงบได้ไม่ยากเราเคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะอายุรักสามสึกว่า ก็หนีหนี้มาหนีหนี้มาอยู่วัดนะอยู่ที่นี่อะ่ะ เ, เขาไม่ได้ตั้งใจหนีหนี้นะแต่มันมีความจําเป็นเกิดความผิดาพาดบางประการแล้วก็เจรจาไม่ได้ไม่มีทางออกไม่มีที่ไปก็เลยขอมาลีภัยอยู่ที่นี่เข้ามาโดยที่ไม่ได้มีความเต็มใจเลยแต่ว่าสถานการณ์บีบบังคับ วันแรกๆนี่เขาก็ร้องไห้เพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาไม่คุ้ น, คนเคยเขาต้องไปนอนหอใจหอใจต่กอนนิ่มมรีตรงนี้หอ่อใจตะกอนมาอยู่บนเขาแล้วก็มีเขาคนเดียวนะนี่คือเมื่อ20ปีที่แล้วเขาร้องไห้เพราะคิดถึงลูกนะสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือไอนะ้โทรศัพท์ ทางกายก็อยู่ที่ท่าาไฟก็ต้องทำใจลูกเดียวนะอาหารการกินก็ไม่คุ้นข้าวเหนียวนะน้ำกับกับกับแจ่วไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรทัศนะ์เขาเป็นคนเมืองแท้ๆเลยนะมาจากสำเพ็งก็เรียกว่ามีความทุกข์มากนะ ทุกทั้งกายทุกทั้งใจแล้วพออยู่ไปอยู่ไปผ่านไปอาทิตย์แรกก็ยังทุกอยู่อาทิตย์ที่สองก็เริ่มปรับตัวปรับใจได้พออาทิตย์ที่สามก็เริ่มจะพบกับความสงบแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกับการอยู่ที่ที่นี่วันๆเ้าก็ ไม่ได้ทำอะไรมากนะเขาไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะแต่ว่าเขาพยายามหางานทำเช่นทำความสะอาดรอบหอไตรแล้วก็เช็ดถูสาราทุกวันนะทำคนเดียวเาที่ละน้อยเทีละน้อยเขาเขาก็เริ่มนะใจเขาก็เริ่มสงบนะและสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจนะขอบวชนะไม่มีใครเรียกร้อง แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาพบกับความสุขนะกับความสงบที่นีนะ่อันนี้ถึงบอกว่าธรรมชาติที่นี่เนี่ยมันมันเป็นมิตรกับพวกเราทุกคนถ้าว่าเราใช้ชีวิตหรือว่าปรับตัวปรับใจให้กลมกลืนนะกับสิ่งแวดล้อมที่นี่นะเราเจ้าก็จะพบกับความสงบแต่ว่าใหม่ๆเนี่ย สำหรับคนที่เพิ่งมาจากในเมืองหรือว่าเพิ่งเพิ่งทิ้งชีวิตคารวาดมาใหม่ๆเนี่ยก็จะรู้สึกเบื่อรู้สึกเหงารู้สึกลำบากนะรู้สึกคับข้องใจเพราะว่าจะทำอะไรอย่างที่ตั้งใจอย่างที่เคยทำก็ไม่ได้ จะเรียกร้องให้สิ่งต่างๆมาปรับตัวให้เข้ากับตัวเองก็ทำไม่ได้ไอ้ครั้นจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งภายนอกก็ไม่คุ้นั น, นก็มีความอึดอัดแถมไม่มีสิ่งเล่าสิ่งกระตุ้นที่คุ้นเคยเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยมันมันมีสิ่งเล่ามันมีแสงสีเยอะมันคอยเราจิตกระตุ้นใจเราให้ตื่นอยู่เสมอ มีสิ่งเสฟสิ่งใหม่ๆมีอารมณ์ใหม่ๆให้รับรู้ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางสัมผัสกายแม้แต่รูปเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเวลาเราดูโทรทัศน์นี่ภาพมันจะเปลี่ยนไปทุกสองสามวินาทีไม่ไม่เคยแช่นานเกินวห้าวินาทีไอสิ่งเหล่า น, นี้มันกระตุ้นประสาทเราให้ ให้ให้เกิดอาการเสพติดเสพติดอะไรเสพติด mm hmm. ความแปลกใหม่อยู่เสมอแต่พอมาอยู่นีนะ่ทั้งทั้งที่ตั้งใจมาเพราะรู้สึกว่าชีวิตในเมืองหรือชืวอคาราวามันวุ่นวายตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่เพราะเห็นแล้วมันสงบแต่พอมาจริงๆใหม่ๆนี่ก็จะนะ เป็นทุกข์นะเบื่อง่วงเซ็งแล้วก็จะเริ่มนับวันนะเริ่มนับวันถอยหลังว่าเมื่อแหลมจะออกพรรษาสักทีอันนี้ให้ร่วมมันธรรมดานะอย่าไปอย่าไปต่อต้านขัดขืนกับอาการแบบนี้ให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้อยู่กับความเบื่ออยู่กับความเนิบชา้าอยู่กับความ จำเจแม้ว่าใหม่ๆมันจะรู้สึกอึดอัดหรือกระวนกระวายกระสับกระส่ายอาการแบบนี้นี่เกิดขึ้นกับทุกคนนะเวลาจากในเมืองมาอยู่ในป่าแบบนี้อย่างน้อยก็สองสมวันแรกมันเป็นอาการที่ อาตมาว่ามันเกิดจากการเสพติดนะเสพติดภสษาใหม่ๆการเสพติดคนเรานี่มันมีหลายแบบนะไม่ใช่เสพติดเหล้าเสพติดการพ น, นันเสพติดบุหรี่แต่ว่าจะมีการเสพติดนะเกมออนไลน์เสพติดัาสะใหม่ๆสิ่งเร้านะเสพติดข้อมูลข่าวสารนะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสพติด นะแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็จะเริ่มอาการกระวนกระวายอยากจะรู้อยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารอยากจะได้สัมผัสอะไรแปลกแปใหม่ๆให้รู้ว่าอาการเช้นนี้เนี่ยนะมันเป็นอาการที่เรียกว่าลงแดงชนิดหนึ่งนะนะเมื่อเราเสพติดอะไรก็ตามและเราเลิกสิ่งนั้นอย่างฉับพลันเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออาการลงแดง คนที่ติดเหล้าติดยาพอเลิกฉับพลันนี้ลงแดงเลยก็ะสับกระส่ายมันรู้สึกว่าวุ่นรู้สึกว่ า, อ, าอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทําอะไรต้องดิ้นจิตมันดิ้นบางทีกายมันก็เกิดอาการประยุก์ขึ้นมานอนไม่หลับก็มีให้รู้ว่านี่ธรรมดานะและถ้ามันเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราเราเสพติด ผัดสะโดยไม่รู้ตัวนะแต่ว่าถอนได้ไม่ยากนะพอมาอยู่ที่นี่ดนะูไปสักสามสี่วันก็เริ่มปรับตัวปรับใจไดนะ้แล้วพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จะเริ่มชอบนะรู้สึกว่ามันสบายนะหลายคนมาบวชนะแค่สองอาทิตยนะ์พอถึงวันศึกนี้ก็เสียดาย เสดายที่จะต้องศึกเพื่อกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆที่วุ่นวายและว้าวุ่นเทณะที่วันแรกๆนี่โหยหาโนะหยหาอยากจะกลับไปบงคนเราก็แปลกนะตอนอยู่ที่ในเมืองก็อยากจะมาอยู่ใช้ชีวิตแบบป่าๆอย่างที่นี่แต่พอได้มาอยู่จริงๆวันแรก2 3สาวันแรกนี้ มันโหยหาสิ่งที่จากมาอยากจะกลับไปเหมือนเดิม ใ, ใจของเราเป็นอย่างนี้นะโดยว่าใจที่ไม่ได้รับการฝึกมันจะไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่เคยพอใจในปัจจุบันสักทีนะแม้ว่าจะโหยหาแล้วก็ได้อย่างที่โหยหาแต่สักพักก็จะรู้สึกว่า มันแค่นั้นแหละรู้สึกเฉยๆขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนอีกนะมันไม่ยอมอยู่นิ่งมีอาการกระสับกระส่ายให้เราร้วนนี่เป็นธรรมดานะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปผักใสมันนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เห็นมันค่อยๆดับไปความสมันคือว่าอย่าไป หลงเชื่อคล้อยตามมันนะมันอยากจะเสพมันอยากจะทำอย่างที่คุ้นเคยก็อย่าไปอยู่ในอำนาจของมันดูมันไปนะแต่ไม่ใช่คล้อยตามมันแล้วก็ไม่ต้องผลักไสมันด้วยนะความเบือ่อความเซง็งความรู้สึกกระสับกระส่ายนะ ให้การที่มีข้อวัดที่ต้องทําร่วมกันเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําตามใจทําอย่างที่ต้องการได้ซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะช่วยขัดเกลาแล้วก็ปรับใจของเราให้กลับมาเป็นปกตินะใหม่ๆเนี่ยปรับตัวปรับปรับใจมันยากก็ต้องอาศัยการปรับตัวก่อนนะปรับตัวนี่ก็หมายถึงการปรับที่ กายที่วาจาการปรับที่พฤติกรรมเสีหรือวิัยนเนี่ยนะมันมีหน้าที่อันนี้นะก็คือปรับเาก็คือกากับการกระทำพฤติกรรมของเราภายนอกคือกายและวาจาเช่นการตื่นการนอนการกินนะการใช้เสียง หรือว่าการเสพสิ่งต่างๆการสัมพันธ์กับผู้คนไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของศีลหรือวินัย น, นะซึ่งพระเนี่ยมีมากกว่าคารวะมอในแง่หนึ่งก็เป็นตัวจำกัดเสรีภาพนะของเราแต่มอในแง่หนึ่งก็คือสิ่งที่ค่อยๆปรับเปลี่ยน เริ่มจากภายนอกสู่ภายในนะเมื่อพฤติกรรมของเรานะเมื่อกายวาจาของเราแนะดะรับการฝึกฝนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงบเรียบง่ายมากขึ้นมันก็จะทำให้ใจของเราก็ค่อยเริ่มเปลี่ยนตามไปด้วยเนะช่นมีความอดทนมากขึ้น หรือว่าจิตใจก็ยืดหยุ่นได้ได้ง่ายเวลาเราต้องเวลาเราได้อะไรมาแม่ครัวทำอะไรมาทำอาหารอะไรมาเราก็ต้องฉันอย่างนั้นหรือถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ต้องกินอย่างนั้นนะมันกค็ค่อยฝึกใจของเราให้ให้ปรับนะแม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะพึงพอใจกับทุกอย่างที่ได้รับตรงนี้การปรับเปลี่ยนจิตใจหรือว่าการฝึกให้รู้จักทำใจเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มผลมากขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเวลามีปัญหาเนี่ยถ้าเราคิดแต่จะไปแก้สิ่งภายนอกอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะ เจอแต่ปัญหาร้อยแปดเพราะมันไม่เคยหมดสักทีไอ้สิ่งที่จะไม่ตรงกับความต้องการของเราไม่ตรงกับใจของเราแต่พอเรารู้จักปรับใจนะรู้จักมาแก้ที่ใจเนี่ยเราก็สามารถจะอยู่กับสิ่งต่างๆได้อย่างไม่ยากแดดร้อนก็อยู่ได้เสียงดังก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างปกติด้วยอย่างมีความสุขด้วย เพราะว่าเรารู้จักปรับใจนะเช่นทำใจให้เป็นกลางกับทุกสิ่งหรือทำใจให้เป็นให้ยอมรับกับทุกสิ่งทั้งภายนอกและภายในสิ่งภายนอกก็เช่นอากาศนะสถานที่อาหารนะมแมลงนะสิ่งภายในก็คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้น ใหม่ๆแล้วก็ต้องใหม่ๆเนี่ยกายวินัยข้อวัดเนี่ยมันช่วยทาให้เราปรับตัวให้ยอมรับสิ่งต่างๆภายนอกได้จากนี้พอใจเราเริ่มเริ่มมีการปรับเริ่มรู้จักทำใจรุ้เริ่มรู้จักปรับใจแล้วคราวนี้พอมันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในใจเราก็สามารถจะอยู่กับอารมณ์นั้นได้ มีความไม่พอใจเวลาเสียงมันดังนะก็สามารถที่จะอยู่กับความไม่พอใจนั้นได้ไม่ใช่ทำตามมันมันสั่งให้มันสั่งให้ว่ามันสั่งให้ด่าคนที่ทำเสียงดังก็ทำตามมันอันนีนะ้อาจจะเคยทำเมื่อก่อนนะแต่ว่าพอเรามาฝึกแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้น เราจะมาดูใจของเราเห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อยู่กับมันนะเพราะว่าได้เรียนรู้นะที่จะฝึกใจให้อดทนอดทนที่ว่านี้คือขันตินะแต่ต่อไปถ้าเรารู้จักเจริญสติด้วยสตินี่เราก็จะช่วยทำให้เราอยู่กับอารมณ์ต่างๆได้ไม่ยาก ก็คือดูมันไปหรือว่าวางใจเป็นกลางกับมัน้นนการวางใจเป็นกลางกับอารมณ์ต่างๆในใจเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราสามารถวางใจเป็นกลางหรือทำใจเป็นกลางกับอารมณ์ภายนอกที่มากระทบอย่างที่บอกนะเช่นแดดร้อนเสียงดัง นะสัมผัสที่หยาบหรือว่ามแมลงที่รบกวนะพอเราวางใจเป็นกลางกับมันได้เราไม่รู้สึกมันเป็นปัญหาแล้วใจของเราก็จะเชี่ยวชาญในการที่จะปรับให้เป็นกลางนะกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะมันมีความเหงาเกิดขึ้นก็ก็ไม่ได้ทุกร้อนกับมัน รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ผักสายมันถ้าผักสายมันเมื่อไหรนะก็จะยิ่งทุกข์เพราะมันความเบื่อก็ดีนะความเครียดก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีความโกรธความงุดหอีกก็ดีตัวมันเองอาจจะทำให้เกิดทุกขเวทนาอยู่แล้วนะ เราคงจะรับรู้ดีนะเวลาอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดทุกขเวทนาทางใจแต่ทันทีที่เราผลักไสมันเพราะรู้สึกเป็นลบ ก, กับมันทันทีที่เราไม่ยอมรับมันก็จะเป็นทุกขเพราะมันมากขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่เป็นปัญหามากเท่ากับ ใจที่ต่อต้านมันอันนี้ลองพิจารณาดีๆนะสิ่งที่มากระทบกับเรามันไม่เป็นปัญหามาเท่ากับใจที่ต่อต้านหรือผลักไสมันถ้ามันเกิดขึ้นแต่ว่าใจเราเป็นกลางกับมันนะความทุกข์ก็จะอบันเทาเบาบ า, บางลงมากและเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องฝึกนะ เริ่มจากการที่ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่นี่ปรับตัวให้เข้ากับข้อวัดข้อปฏิบัตินะของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรือว่าเป็นสังฆะแม้ว่าอาจจะไม่ถูกใจแม้ว่าจะรู้สึกยากลําบากแม้ว่าจะรู้สึกเบื่อนะ แต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยใจเราก็จะอ่อนโยนมากขึ้นและเราก็จะสามารถอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจและถ้าเราปฏิบัติ ด, ด้วยจเจริญสติด้วยเนี่ยมันจะไม่ต้องอดทนแต่สามารถจะอยู่ร่วมกันนะกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้พอรู้วิธีที่จะวางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นแล้วก็เห็นมัน ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองนะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะเพียงแค่รู้มันก็ละมันก็วางไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงแม้ว่าสำหรับผู้ใหม่นะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆไม่ว่าพระหรือนักปฏิบัติหรือแม้แต่แม่ชีมันจะมีความอึดอัดมีความไม่คุ้นเคยนะ หรือว่ามีความเบื่อหน่ายอย่างไรนะก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดาจะไปจะไปให้ความสำคัญกับมันมากแล้วก็พอเวลาผ่านไปผ่านไปนะไม่นานนะเราก็จะเราก็จะอยู่ได้อย่างสบายและเราก็จะสามารถเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้เร า, าวางใจเป็นกลางกับทุกอย่างได้สามารถจะอยู่กับอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายใ น, ท, นที่ไม่น่าพอใจได้แล้วก็อยู่ได้อย่างเป็นปกติด้วยคำเดียวเพื่อนทนนะออันี้ะกับพาวิมกน